พระธรรมเทศนาแผ่นที่99้าสบาลำดับที่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สองกุมภาพันธ์2560ห้าสบมีชื่อเรื่องว่าปักใจลงที่ศีลธรรมวันนี้หลวงพ่อจะได้ออกไปอุดรตอน แสดงธรรมประมาณสองทุ่มยี่สิบนาฬิกาที่วัดโพธิสมพรงานครอบรอบห้าสิบวันของหลวงปู่วัดโพธิสมพรเนีวันนี้แหละ ว, วันครอบรอบห้าห้าสิบวันหลวงปู่แล้วหลวงพ่อคงจะได้ออกไปแสดงธรรมแต่หลวงพ่อวัดของเราก็ยังไม่ได้ ไปร่วมทำบุญสวดอภิธรรมแต่ว่าคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ท่านรัตนะติดต่อผระสานแล้วก็คงจะหาวันเขาไปทำบุญก็คงท่านคงจะเอาศพลงปู่ไปถึงร้อยวันอยู่มะอยู่ก็มังเราจะให้วันไหนสะดวกสำหรับท่านสำหรับเรา แต่ในช่วงนี้วัดของเราก็อย่างวาดนะครับตั้งแต่วันที่แปดที่9้าพฤทธิกามาพระในวัดของเราคนในวัดของเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับอะไรลังต่อลังแตนเพราะอุตกรภัยคือน้ำท่วมพวกเราก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายกับซ่อมบ้านของตอนเองอยู่พอสมควร ปีนี้พนั้นเราจะไปที่ไหนทํำยังไงแต่ไปได้แต่หลวงพ่อเนะ่ยหลวงพ่อพอเปลี่ตัวไปได้แต่ก็พกุทธผู้เกี่ยวข้องก็จะต้องเล้ยช่วยกันคิดเหมือนกันจะไปที่ไหนวันนั้นหลวงพ่อเองจะกําหนดวันทําอะไรหลวงพ่อจึงคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะอย่างงานหลวงปู่ก็เหมือนกันก็ได้คิดคิดเหมือนกันวันไหนสะดวกพอท่านสะดวก เราสะดวกนะเราก็ยังไม่ได้ไปท่านมรณาภาพถึงห้าสิบวันแต่ตามที่จริงเราก็ไปร่วมแล้วล่ะเอาผ้าไตรเอาไปร่วมก่อนหน้านี้แล้วเอาผ้าไตรผ้าไม้ไปจะตุปใจัยบางส่วนก็ได้เอาไปถวายท่านบ้างแต่เรายังไม่ได้ไปกลุ่มสวดอภิธรรมท่านั้นเองมนมลไปสวดเราคิดว่าจะเอาชักวันหนึ่ง เมื่อวันว่างหวัง่างว่างวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศัราช2อ6 0อแต่หลวงพ่อเคยพูดมาทุกวันเกี่ยวกับเสาเข็มองหลวงตาแต่วันนี้เขาก็รายงานมาให้ทราบว่าวันณนะวันที่หนึ่งเวลาสิบเจ็ดศุนยูนนอ จำนวนมีผู้ถวายเสาเข็มมาแล้วนะ เ, เงินเข้าบัญชีเสาเข็ม2 1 3 5ิบเอ็ล้านสาางบาทสตัง์ยังขาดอยู่ยังขาด3 2ล้าน11ล้านยังขาดอยู่ทั้ง11ล้านนะสิล้านเ่พหนึ่ง 11ล้าน9ก้าหอย่บาทยังขาดอยู่นะแต่วันนี้ก็ได้มาเนี่ยอาจารย์เฉลิมพลซื้อเสาเข็มองหลวงตามหาหาบวัดประบันตาโดยอาจารย์เฉลิมพลแม่คำพร้อมลูกหลานทุกคนเป็นเงิน 41,200 บาท แล้วก็นางอุไรวันผาจำอันนี้หนึ่งพันบาทอันนี้ก็เสาเข็มเหมือนกันนะอันนี้ของพ่อน้อยพ่อน้อยนายสมศักดิ์ทองสมุดบ่งเล็ บ, บ่งเล็บพ่อน้อยพร้อมครอบครัวและญาติพี่น้องน้อมถวายเสาเข็มเจดียด์ลงตามหาบัวจำนวนสมต้นรวมเป็นเงินเจ็ดมื่นเจดี่บาท พวกเราหนุโมตนาสาธุพร้อมกันเดินลูกหลา น, นมีสามสี่เจ้าของวันนี้นี่แหละก็รวบรวมไปเรื่อยเสาเข็มของหลวงตาอย่างที่หลวงพ่อได้อ่านให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบนะหลวงพ่อพูดแต่เรื่องเสาเข็มปักลงดินให้แน่นหนามั่นคงฮะแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องปักใจ ในศีลในธรรมให้มั่นคงอย่าไปวันไหวกับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงโลกกระทำทั้งปวงถ้าเรามีจิตใจมั่นคงอยู่นัสถานที่ใดมีแต่ความสงบพร่มเย็นผาสุขเราต้องมองโลกมองโลกมองธรรมเพรามันโลกอย่างที่เมื่อเช้านี่กคุณโยมโยมมาจาก อ, เอำเภอนามโสม บอกว่าคุณยายจากไปแล้วอายุเท่าไหร่แปดสิบกว่าปีนี่แหละหลวงพ่อเองมาถึงมายืนอยู่จุดนี้แหละอายุเจ็ดสิบสองอายุเจ็ดสิบกว่าปีขึ้นมาเนี่ยเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมเกิดร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพอมาถึงจุดนี้เหมือนกับใบไม้ร่วงร่วงหล่น เดี๋ยวเหลนตุบเดี๋ยวเขาหนตับตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมีแต่ดูดูแล้วก็อายุใกล้เคียงกับหลวงพ่อแปดสิบกว่าบ้างยังไม่ถึงเจ็ดสิบบ้างหกสิบกว่าปีบ้างฮะจะติสรุปแล้วก็คือเนี่ยแหละอันนี้จังชีวิตเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ทุกชีวิต สิ่งเหล่านี้ไม่พูดก็ต้องพูดไม่คิดก็ต้องคิดเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาและตายแล้วไม่ศูญจุดนี้แหละถ้าตายแล้วศูญหลวงพ่อก็จะไม่คิดมากนะตายแล้วมันแล้วไปไม่ต้องคิดแต่ว่าตายแล้วไม่ศูญพระพุทธเจ้ายืนยันมาอย่างนั้นในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาท่านก็ยืนยัน ตามตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ยืนยันในจิตใจอีกไม่ยอไม่เสื่อมคลายตายแล้วต้องเกิดอีกสิ่งแท้เกิดมันควารู้รู้อยู่เออมันไม่ใช่ว่าร่างกายตายไปแล้วมันจะดับเพียงแต่ร่างกายแต่ความรู้สึกนึกคิดดวงวิญญาณดวงใจดวงนั้นแ่ะมันจะออกจากร่างนี้ไปแล้วจะไปที่ไหนแล้วตะกรรมจะพาไป ถ้าว่ากรรมดีพาไปก็ไปสู่สุขคติถ้ากรรมชั่วพาไปมันก็ตกต่ำไปตกนรกถ้ากรรมชั่วมากๆนะถ้าพ้นจากกรรมชั่วเบาขึ้นมาก็นนะมาเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ชาติมาใช้นี่ใช้กรรมนี่แหละเหมือนกับคนดีคนดีเมื่อ ไปแล้วจะไปไหนเป็นขราชการที่ดีเป็นพ่อค้าที่ดีร่ํารวยมั่งมีสีสุขอันนี้คือกรรมดีส่งผลถ้ากรรมชั่วป่งผลชั่วมากๆก็เข้าคุกนะพอพ้นจากคุกจากตารางมาแล้วก็น่ะเเผลอๆยังหาหลักหากดหาเกณฑ์ไม่ได้อีกนอันนี้ก็คือกรรมชั่วให้ผลเพราะนั้นกรรมชั่วกับกรรมดีให้ผล บาปและกุศลกุศลให้ผลบาปอกุศลให้ผลมันลักษณะนั้นแหะพวกลูกหลานสรุปแล้วก็คือตายแล้วไม่ศูญจุดนี้พวกเราจะต้องได้คิดและท่นเีน่เราจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราอย่างไรเราจะมัวแต่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องธรรมดาก็ไม่น่าจะถูกเราก็ควรจะขนขวายทั้งสองอย่างอาหารกาย เราก็ต้องอย่าให้ขาดตกบกพร่องการทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาค้าขายทางโลกของเรามั่นขยันแต่พร้อมกันทางด้านจิตใจเรื่องจิตภาวนาอั น, นีนสงาน ท, ท, ทานทาบุญทาทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติไหวพระสวดมนต์อันนี้ก็เป็นอาหารเข้ามาทางจิตใจอาหารกายกับอาหารใจมันเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกันนะอาหารกายกกกเราเาแสวงหาทรัพย์ได้ ถ้าเราคนจนเราก็บมดที่จากทานไม่ได้เราแต่พี่แต่ทำบุญทำกุศลอย่างอื่นแต่ถ้าเรามีขึ้นมาเราก็นี่แหละทำบุญทำทานมันก็เป็นเครื่องเคืือกูลหนุนทางจิตใจอีกเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องทุกใจทำคุณงามความอื่นความดีอย่างอื่นมีมากเพราะท่านขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้สั่งสมบุญกุศลไว้ตายแล้วไม่ศูญเนี่ยสรุปแล้วลงลงมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าตายแล้วสู์เราไม่ต้องคิดมาก เ, เพราะฉะนั้นเราจะปักจิตปักใจยังไงต่อคุณงามความดีเหมือนกับเสาเข็มเนี่ยหลวงพ่อพูดเรื่องเสาเข็มเสาเข็มภายนอกเสาเข็มพระเจดีแต่เสาเข็มทางด้านจิตใจของเราเนี่ยเราจะมุ่งมั่นให้มั่นคงอย่างไร จิตใจของเราจึงไม่วันไหวกวยแข่งต่อเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเราจะยึดอะไรนี่แหละต้องยึดผู้ดียึดผู้ดีก็คือยึดพระพุทธเจ้าบรมครูของเราท่านพาดำเนินอย่างไรยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรยึดพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดาเนินอย่างไร เนี่ยแหละเราต้องยึดยึดในจิตใจยึดเป็นหลักเป็นหลักจิตตักใจของพวกเราจากนั้นเราก็ดําเนินเลยทีนปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรท่านให้เรื่องอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะพอมีพอเป็นก็เออเอาทำบุญทำทานอย่างพวกเราทํำทาน เกี่ยกับเสาเข็มอย่างนี้แหละ เ, เราไม่ได้ไม่ได้ทั้งต้นเราเอาเอาสักสิบเซนได้ไหมห้าสิบเซนได้ไหมหนึ่งเมตรได้ไหมสองเมตรได้ไหมมันได้ทางนั้นแหละนะรวบรวมเป็นบุญเป็นกุศลกับพวกเราทั้งหมดแต่ถ้าไม่ทำเสลยอันนั้นไม่ดีนะเราหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวันหนึ่งเราจ่ายเงินไปเรืืองค่าอ า, อาหารกันวันละเท่าไหร่เพียงแต่ทาบุญ ในครั้งนี้เสาเข็มทั้งหมดเนี่ยสามสิบสองล้านเราได้เพียง5้าบาทถึงสิบบาทนี่ไม่ได้เหรอเน่ยเราก็ควรจะได้ในจุดนั้นนะแต่สําหรับพระสงฆ์กูบายจารย์พระเนนลูกหลานที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพาทำอยู่แล้วนะไม่ใช่เงินปัจจัยส่วนอื่นเป็นปัจจัยของวัดเราเป็นปัจจัยของพระของเนนทุกองนะเป็นปัจจัยของศรัทธา ญ, ญาติโยมด้วยพวกเราอนุโมทนา สัตุหลวงพ่อไม่ได้ถือว่าเป็นปัจจัยของหลวงพ่อนะที่ได้มาเนี่ยเป็นปัจจัยของพี่น้องประชาชนพระเนรลูกหลานทุกองมีส่วนร่วมหลวงพ่อได้ยังไงก็ลูกหลานใครได้อย่างนั้นศรัท ธ, ธาญาติโยมก็ให้ได้อย่างนั้นอย่างที่หลวงพ่อได้นะเพราะมันเป็นของศรัท ธ, ธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านอันนี้ก็คือทานะคือการทานของพวกเราก็ไม่ได้ด้อยนะรักษาศีล ก็ให้มั่นคงใให้ตรวจตราดูตนเองเสมอว่าศีลลาจศีลาจรวัตของเราเนี่ขาดตกบกพร่องตรงไหนศีลของเราสมบูรณ์บริบูรณ์หรื อ, อยังถ้าว่าเป็นคราวาตญาจงเ อ, อิเน้นไปทางศีลนหนะ้าวันพระวันอุโบสถหรือวันธรรมดาผู้สูงอายุพอประมาณแล้วก็น่าจะ ทำตนหรือว่าพิจารณาตนไม่ควรจะลุ่มหลงมัวเมากับโลกวัตฏะสงสารจนเกินไปถึงชีวิตปนนี้แล้วอันนี้เราก็ต้องมองดูนะมองมองหลังแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยนะเราแต่มีแต่ไม่ได้คิดได้อ่านมันก็ไม่ได้เรามองหลังชีวิตของเรายืนยาวมาเราได้ทําอะไรมาบ้าง มองทางหลังแล้วก็มองไปข้างหน้าชีวิตของเราจะไปได้กี่น้าเนี่ยเราควรจะประกอบคุณงคุณงามความดีอย่างไรต่อไปภายภาคหน้าที่ชีวิตยังเหลืออยู่นี่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดนะจากนั้นเราก็ปรปับปรุงกายใจของเราละทีนี้บาเพ็ญคุณงามความดีเรื่องศีล จะเรื่องสมาธิทีนี่ออย่าได้ลดละเรื่องสมาธิเป็นเรื่องส่วนตัวของเราคนจะดีคนจะเร็วจะไปสูงไปต่ํำมันเรื่องจิตใจทั้งนั้นทีนี่มันออกมา <c oughs> จุดนี้แล้วถึงจะทําคุณงามความดีมากเอแต่ว่าโค้งสุดท้ายแหละเราทําความชั่วเราคิดความชั่วซะเอ มันก็ตกต่ํำได้ง่ายๆอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงที่ทําไปแล้วก็ไม่เสียหายที่ทําคุณงามความดีความดีของเรานะ่บุญกุศลนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนกันนั่นแหละอแต่ว่าโค้งสุดท้ายเนะี่ยเราต้องปรับทิศทางให้ดนะีเหมือนกับหัวจะรูดนะ่ะอเราจะปรับมันไปทางไหนใช่ไหมละ่ะถ้าว่าเราปรับไม่ดีพอจุดเข้าไปเนฮะ้อ มันหัวจะรวดมันลงไปทางต่ำํำมันก็ดันไปทางต่ําอีกเหมือนกันไปแหละไปชนภูเขาลูกไหนก็ไม่รู้และใช่ไหมนี่แหละอันนี้คงเหมือนกันนะ่ะอก่อนที่เราจะหมดลมหายใจเข้าออกเนะี่ยอเราต้องปรับจิตปรับใจในช่วงนั้นนะ่ะเราจะนึกคิดหรืออะไรอยึดคุณงามความดียึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดพุทโธในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจ ไม่ต้องคิดไปทางอื่นทางอื่นเราคิดมาแล้วเราทํามาแล้วเรารู้มาแล้วอ ม, มันดีมันก็นดีมาแล้วนะมันชัว่วมันก็นชั่ว ม, มาแล้วนะเอาทั้งปัจจุบันนี้แหละบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามาในอดีตมากมายมากน้อยแค่ไหนข่าวนี้เป็นค่าวสุดท้ายของข้าพเจ้าแล้วอข้าพเจ้าจะรวมบุญรวมบุญรวบรวมบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามา ให้เป็นพลังเข้ามาสู่จิตใจของข้าพเจ้าเน้อข่าวเนี่นี่แหละอันนั้นก็คือเราตั้งหัวจรวดที่จะพุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพานเนี่ยคืออย่างน้อยก็ไปสู่สวัรด์นะตั้งเป้าตั้งเป้าคุณงามความดีเนี่แหละให้จิตใจมั่นคงในจุดนั้นเพราะนั่นก็ให้พวกเราทุกๆคนเนะ้ ในการสร้างสมบุญกุศลเนี่ยอย่างที่วันนี้ทีหลวงพ่อได้ทราบข่าวมานี่แหละเดี๋ยวคนนั่นก่อไปเดี๋ยวคนนี้ก่อไปตูมนั่นตูมนี้หล่นนั่นหล่นนี้ใบไม้มันร่วงหล่นไปตามอายุสังขารของมันแต่เราจะอยู่โชคฟ้าดินสลายอย่างนั้นใช่ไหมาถามตัวเองนะเลยเราก็ต้องถามตัวเองนะเอลยฮะหลวงพ่ออิน จะอยู่ชโชคฟ้าดินชรายอย่างนั้นใช่ไหมฮะหลงพระเอินถ้าหลงพระเอินลืมตัวนะหลงพระเอินก็ใช่คงจะอยู่นานๆนะ่ะจะไหวงั้นอีกแต่หลงพระเอินไม่ลืมตัวหลงพระเอินก็เอยใช่อยู่แค่ทุกลมหายใจเข้าหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่เมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละแต่คุณงามความดีเราจะไม่ประมาทเราจะสร้างสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเรา สิ่งไหนที่เป็นความดีเราจะคิดดีทำดีพูดดีสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่ทำคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเราจะไม่ทำเราจะทำสิ่งที่มันดีที่ว่าดีในจิตใจนะถึงจะมันจะถลําไปในทางสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีก็ตามพูดไม่ดีก็ตามทำไม่ดีก็ตามมันถลําไปเราก็พยายามเมื่อเรามีสติขึ้นมาเราเราจะถอนเข้ามามาหาสิ่งที่มันดี เราจะไม่ถล่มหมกอยู่ในตกอยู่ในความชั่วทั้งกายทั้งวาจาทางใจนั้นนี่แหละคือเรามีความพยายามอยู่ถ้าเรามีความมีความมีความตั้งใจอยู่ในจิตในใจอย่างนี้แล้วนะหลวงพ่อเองมั่นใจว่าพวกเราไปว่าหันหันหัวจังหวดหรือหันหัวบังไฟ ขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางฮะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้จิตใจมั่นคงหมุนหันต่อคุณงามความดีตรงต่อคุณงามความดีให้เที่ยงตรงจิตใจมั่นคงอย่าวันไ ว, ไว้ควยแกล้งแต่เมื่อถึงคราวจาเป็นมาแล้วไหนนึกยึดผู้ดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนั่นแหะพวกเราต้อง ไปดีแน่ไม่เป็นอย่างอื่นนะแต่เราควยเขวะล ว, วนเลเอจิตใจไม่ไม่เคยฝึกไม่เคยฝึกสมาธิเลยเมีโอกาสที่จะไปทางต่ำได้นะคณะสัทยายาโจลูกลานเพราะนั้นเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญ เ, เป็นสิ่งที่ปรับหัวจรวดขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางของเราจะให้มันไปตรงไหนนะ ถ้าว่าเราไม่มีการปรับเนี่ยเดี๋ยวทะเลทะายหัวจะหลวมมันหมันห ม, มุนลงไปทางต่ำเลยเพอจุดเข้าไปก็นุ่นๆดิ่งลงไปหา ท, ที่ไหนก็ไม่รู้เ่เอเสียหลักนะ เ, เสียหลักในผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพราะฉนั้นกอให้พวกเราทุกๆคนทุกๆทานนาก่านนะพ่าเนรลูกหลานนะสรุปแล้วก็คือให้ตั้ง อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เป็นคนดีพระดีเนนดีศรัทธาญาติโยมคิดดีทำดีพูดดีมีแต่ความเจริญต่ อ, ตอ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนัตินีเนะ่า